เราอยากให้ <c oughs> พระกรรมฐานเรามีจํานวนมากๆผ <c oughs> ู้ทสงออกตั้งใจในธรรมทั้งหลายอยากให้มีในที่ทั่วไปบรรดาพี่น้องชาวพุทธเราอยู่ในที่ทํากงๆในเทศกาลไหว้บูชาตาย อ, อกตายใจมีความอบอุ่นพระสงฆ์องค์พระเจ้าตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดมีความสงบร่มเย็นทั้งตัวเองและผู้อื่น เป็นอย่างนั้นนะผู้ไปผู้เสาะแสวงหาธรรมต้องได้ธรรมมาครองใจมากน้อยต้องได้เพราะธรรมมีอยู่เสาะแสวงหาทางไหนสิ่งนั้นมีอยู่ก็ต้องได้เป็นธรรมดาแสวงหาบาปก็ได้บาตแสวงหาบุญได้บุญมีแล้วแสวงหาธรรมต้องได้ธรรมนี่คือพระท่านเสาะแสวงหาธรรมอยู่เป็นประจำในเอียบททั้งสีน ต่สวยหาทําทําทั้งนั้นเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภานาอยู่ธรรมราก็มีสติสัางระมัดระวังรักษาตัวเพื่อความดีเสมอบํารุงรักษาความดีไว้ตลอดอันใดที่ไม่ดีขัดต่อหลักธรรมเราด้วยในท่านปัดออกปัดต่อเรียกว่ามีการบํารุงรักษาตลอดแล้วท่านจะได้รับความน้่มจากอัจากาิยธรรมนีเวลาได้จากอัจฉริยธรรมเนี้ย ไปที่ไหนก็เรามีอะไรก็ต้องแตกจ่ายแต่ตามเกิดตามมีถ้ามันมีอาจมีทำเลยโกลงค่างกับมือกับกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเอาที่ไปที่ไหนก็เผาไหม้ไปเลยเลยุ่ยอย่างนั้นหาความชุ่มเย็นจากตัวเองและประชาชนไม่ได้คนมีบาปมีกรรมภายในจิตใจเพราะไม่สนใจสอนสอมหาธรรมผู้สอนสอมหาธรรมไปที่ไหนเย็นกันหมดท่านอยู่คนเดียวท่านเขเย็น ไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็เย็นเพราะมีธรรมเป็นเครื่องแจกตายกันเพามีความร่มเย็นอย่างนี้แหละที่ว่าเมืองไทยเราซึ่งเป็นเมืองพุทธไปตั้งบ้านตั้งเรือนสถานที่ใดถึงมักมีวัดมีวารตั้งวัดตั้งวาเป็นคู่เสียงเป็นหลักบ้านหลักเมืองและหัวใจประชาชนไปตลอดไม่ว่าภาคไหนเหมือนกันอเพราะภาคเป็นเพศที่ให้ความร่มเย็น พระนี่หมายถึงพระลูกศิษยาสาโคดที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่พระแบบพระเทวทัตคอยทําลายแต่ชาติแต่บ้านแต่เมืองให้ทิพหายร่มกลมเกิดความเดือดร้อนระสำร่ำระสายทั่วประเทศเฉดแดนนั่นก็เรียกพระเทวทัตเราไม่ได้มานับเข้าในจํานวนพระลูกศิษยาสาโคดที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมหลักวินัยเลยโดยเหตุนี้พระจะมีสองประเภท เราเห็นมาเป็นผ้าเหลืองเหลืองหัวล้นโ้นแล้วจะถือว่าเป็นผ้าไปทั้งหมดอย่างนั้นก็เป็นความเห็นผิดไปพระอันนี้เป็นเครื่องหมายของพระอย่างที่ว่าโกนผมโกนทิ้วครองผ้าเหลืองบวชเป็นผ้าใมาแล้วนี่ประกาศตนให้รู้ว่าตัวนี้เป็นผ้าเวลานี้พระความเคลื่อนหมายไปมาทุกสิ่งทุกอย่างให้ระมัดระวังตัวเองสมกับฐานะว่าเราเป็นพระนี่เป็นเครื่องประกาศตน จากนั้นประชาชนในโลก ท, ทั่วไปเขาก็รู้ว่าดีเพศคือเพศของพระถ้าเราจะนำแระเพศของพระมาประกาศตนว่าเป็นพระเป็นพระโดยไม่สอสแสดนพระอาช ธ, ธรรมคุณงามความดีทั้งหลายเลยมันก็เป็นเศษพระไปได้หมอโลน้นไข้โกนก็ได้จะเป็นอะไรไปโกนหัวออกแล้วอย่างไรแล้วโกนเอาทั้งหนังออกทั้งเหลือตะกรุดทิศษาก็โกลได้มันไม่เห็นแตกอะไรถ้าเหลืองนี่ตึกรามม่านช่องที่ไหนไม่อด พยามาหม่มหมตัวกระทั่งแบกหนักไปไม่ได้ก็ได้แต่มันก็เป็นพระเหลือมันก็เป็นหัวโลนอยู่งั้นถ้าศีลรำไม่เป็นเครื่องเสริมไม่เป็นพระแบบเป็นแบบฉแบบัเแล้วก็ไม่เป็นพระไม่เสาะแสวงหาคุณงามความดีตามเพศของตนมันก็ไม่เป็นพระโดยสมบูรณ์และไม่เป็นพระเพราะฉะนั้นคำว่าพระจึงเป็นเครื่องประกาศให้ทราบทั้งตนและผู้อื่น แล้วปฏิบัติหน้าที่ของพระให้สมบูรณ์แบบตามหลักธรรมหลักที่ไหนพระที่ปฏิบัติตนตามแบบหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละคือพระผู้ดําเนินเพื่อมรักเพื่อผลมรรคผลมิพานเพื่อบุญเพื่อสงศ์แก่ตนและผู้อื่นโดยแท้เนี่ยพระประเภทนี้หายากที่ฉะนั้นเราจึงอยากให้พระที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังต่ออาต่อธรรมมีอยู่ในที่ต่วทั่วไป พี่น้องชาวไทยไก็เลยกราบไหว้บูชาเป็นขวานตาขวานใจมีความสงบเย็นใจไปที่ไหนมองเห็นพระจิตใจมันอ่อนลงมาทันทีน ะ, ะกําลังแวดแวดแวด ท, ท, ทะเลาะ ก, กันัวกับเมียพอมองเห็นพระเลยโอ้ยขับอะไรอย่างนั้นเห็นไหมละ่ะเป็นเป็นน้ําดับไฟนะผัวเมียกําลังทะเลาะ ก, กันไอ้หัวกับตัวดื้อต่หาตั้งแต่หญิงสาวล่นะ แล้วบางทีตัวเมียก็ตัวดีไปหาใจหนุ่มขั้นมาแล้วก็มาทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันพอดีไปถ้าท่านผ่านเข้ม า, เ า, ามาแล้วยเดี๋ยวามาแล้วเนี่ยมันก็สงบได้นะขนาดนั้นมองเห็นพาขนาดนั้นก็สงบใจไม่ได้อย่าพากันไปทิศบ้าอย่างนั้นนะทีอ่อย่างนั้นใช่ไม่ได้เสียหายหมดห้ <c oughs> ต่างคนต่างเสาะแสวงหาอาชีพทำ ธรรมนี้แหละเป็นที่พึ่งของใจพี่น้องหลายโปรดทราบนะสิ่งเหล่านี้อาศัยชั่วการเวลาเนี่ยไม่ว่าเป็นบา้านเป็นเรือนตึกรามบา้านทองไม่ว่าวัด ว, ด ว, ด ว, ดวดากุฏิศาลาเป็นที่อาศัยอย่างเราอาศัยเนี่ย <c oughs> แล้วาอาศัยหลับอาศัยนอนนะอาศัยอยู่อย่างนี้อาหารการมีโภคทุกอย่อยางก็อ า, อาศัยคนปืนกับร่างกายให้พอเป็นไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งนี่เป็นที่พึ่งภายนอกนะ ที่พึ่งภายนอกคือร่างกายอาศัยกันไปเวลามีชีวิตยอยู่แต่ที่พึ่งภายในที่สำคัญมากที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนนั้นได้แต่ศีลแต่ธรรมแต่คุณงามความดีเรียกว่าบุญกุศลอันนี้ใจจะเป็นผู้รับตลอดเลยทิ่งเหล่า น, นี้ใจไม่รับนะถ้าใจรับคนมีเงินมากต้องมีความสุขมาก มีตึกราบ้านช่องถนนทุนทางบริษั ท, บ ร, ษทบริวารมากมีคนเคารพนับถือมากคนนั้นต้องเป็นค้ำแห่งความสุขเรียกว่าเศรษฐีแห่งความสุขเพราะมีเงินมากแล้วส่งเสริมไม่เป็นความสุขโดยไม่จําเป็นต้องสแสวงหาอัธรรมเพื่อเป็นความสุขภายในใจเพียงแต่สิ่งภายนอกมาประดับประดาก็เป็นความสุขพอแล้วอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะอสิ่งภายนอกเป็นภายนอกบ้านเป็นบ้านเรือนเป็นเรือน สมบัติเงินทองเป็นสมัติเงนทองอาศัยเขาชั่วการเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นจะให้เขาเคลื่อนย้ายจากนี้ไปสู่โลกหน้าเหมือนใจของเรานี้ไม่ได้นะะใจของเรานี่ไปได้ทุกแง่ทุกมุมโลกไหนไปได้หมดอํานาจแห่งกรรมนั่นแหละกรรมดีกรรมชั่วพาให้ไปให้เกิดเป็นสัตว์ดิจฉานเกิดเป็นมดเป็นแมงเป็นเป็ดเป็นผีนรกอวิีไม่แต่ใจตรงนี้แหละเป็นผู้พาไปเกิดเพราะอํานาจแห่งกรรม ชั่วกรรมดีมันอยู่ในใจอันนี้ติดแนบเลยนะสิ่งเนี้ไม่ติดเศรษฐีตายถ้าตายด้วยความลืมเนื้อลืมตัวจมในรกมีมากชุกตาเฉงใจตายด้วยใจปเป็นเป็นบุญเป็นกุศลไปสู่สุกติโลกสวรรค์มีจํานวนมากเช่นเดียวกันมันสําคัญอยู่ที่ความลืมตัวหรือไม่ลืมตัวถ้าเราไม่ลืมตัวเศษถีก็ไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันคนทุกคนจนเพราะจิตใจมีธรรมนั่น ถ้าจิตใจไม่มีธรรมแล้วใครก็ใครเถอ่อจะอวดต่อหลักความจริงผู้เลิศเลยที่แสดงไว้คือพระพุทธเจ้านั้นปฏิเสธหรือจะอวดอ้างขนาดก็ไม่มีความหมายอะไรละมันไปจมอยู่ที่ที่เจ้าของผู้เป็นนั่นแหละ <c oughs> ศาสดาองค์เอกมาสอนพวกเราสอนโลกให้ลงจงที่ไหนไม่เคยมีพ <c oughs> ระราชน์นถึงสอนอัดตอนธรรมให้พวกเราไ้ระพฤตปฏิบัติน <c oughs> ี่ตะทีนี้เขพูดถึงเรื่องพระ มันมีอยู่ในที่ต่างๆสําหรับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้านเมืองเราจะมีความสงบสงบเย็นมากขึ้นนะอื <c oughs> เมื่อเห็นพระท่านดีเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเข้าวาดัดเข้าวาดัดอยู่ตลอดเวลาสัมผัสสัมพันธ์ความดีจากท่านอยู่ตลอดหัวใจเราค่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเ <c oughs> เห็นท่านเป็นผู้ดีพูดมีเหตุมีผลมีหลักมีเจน มันก็เป็นสาระแก่จิตใจของเรายืดไปไว้เป็นหลักเป็นเกนฑอเพื่อปฏิบัติตามมาเล็กระน้อยต่อไปมันก็ฉินกันกับความดีทั้งหลายแล้วก็สงบร่มเย็นไปตามท่านเนี่ยว่าลูกศิษย์เดินตามครูนะ่เป็นอย่างนั้นนะท้าได้ผู้ดีมาเป็นผู้นำเป็นอย่างนั้นแหละ่ีที่ได้พามาเป็นหัวใจของชาติเป็นที่รวมเย็นของจิตใจ อาชาพูดเราในบ้านนั้นเมือง น, นี้บ้านไหนเหมืองไรก็ตามแล้วบ้านนั้นเมือง น, นั้นจะมีความสงบร่มเย็นไม่ผ่านผนโจรไยานลืมเนื้อลืมตัวประเทโดยไถยเดียวเหมือนคนไม่มีธรรมในใจเลย <c oughs> คนไม่มีทําในใจไม่มีพระติดใจเลยนี้ไปได้ทุกแห่งทุกโหนทาได้ทุกอย่างไม่คำหนึงถึงดีถึงชั่วทําได้หมดและผลที่ ปรากฏขึ้นมาส่วนมากมากักเป็นความหยอดล้อนเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็มาเผาเจ้าของนั่นแหละนนี่แหละความไม่มีไม่มีพระไม่มีอัดมีทําในใจทำความเสียหายได้ง่ายได้มากคนเราถ้ามีพระมีอัดมีธรรมเป็นเครื่องทำตสอนีน่เหมือพอจะทําความชั่วช้าลามโมกขึ้นมาอะไรอย่างนี้ซัดจิตจละลึกถึงท่านี่อ่อนอ่อนต้องทันทีนะเนียเยียบเรยบเรคห้ามแล้วได้ด้วย การเลือกถึงพระเนี่ย <c oughs> เรื่องพระจะมีของสําคัญมากทีเดียวพอพูดอย่างนี้เราก็เลือกนี่แหละเห็นไหมเรื่องปัจจุบันมันก็เห็นชัดชัดอยู่อย่างนี้นะมีบรรลุคนหนึ่งเขาเชียร์แชนใหอ้อีกคนหนึ่งแต่ว่าเป็นเพื่อนหรือไม่เพื่อนหรือคู่การครู่เวียนกันก็พูดยากนะเชียร์แชนถึงขนาดถือปืนไปเลยจะไปฆ่าเลยอย่างเด็ดทีเดียอืม <c oughs> นี่อเรียกว่าเขามีวาสนาอยู่นะพอไปเท่านั้นล่ะเดินไปกลางทางตั้งความมั่นใจไว้ว่าจะฆ่าให้ได้ถือปืนไปเลยเชียวไปเรื่องจะไปฆ่าให้ได้ละให้สงใจพอเดินไปเดินไปไม่ทราบว่าบรรดุมรรดานมาจากไหนเดินไปกลางทางปรากฏเป็นองค์หลวงปู่มั่นขึ้นมายิงจังก้าอยู่กองหน้าเนี่ยนั่น ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีใครเลยธรม ร, ธรมดาธรรมดาเนี่ย <c oughs> เดินจังกล้ายขวางหน้าอยู่เนี่ยนี่จะไปตัดตกนรกหลุมไหนเนี่ยท่านว่างั้นนะฮะ <c oughs> ท่านบอกว่านี่จะไปตกนรกหลุมไหนเนี่ยพอมองเห็นหลวงปู่มัน่นซึ่งแจรู้สึกว่าเขาลงมาก่อนอยู่แล้วนะจิตนี่ลดหัวกันทีโลงกราบทันทีกราบเมื่อพอกราบแล้วท่านก็หายไปแล้วนะ <c oughs> ไม่เห็นองค์ท่านเลยปัจจุบันนี้นะเอ คนจากวันไหนวันไหนก็อยาให้พูดให้ฟังเขาพูดด้วยความตึงเต้นมากทีเดียวใครว่าบาปบุญมนันมีอย่าไปคิดว่างั้นเลยนะเขาตัดขาดทะบ้านไปเลยพอไปเห็นท่านจันทร์มั่นมายืนจังกาไม่ทราบมาจากไหนมายืนจังก้ารอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่จะไปตกตะลุกหลุงไหนเนี่ยว่างั้นนะท่านพูดอย่างเข้มแข็งด้วยครานี้พอมองเห็นปั๊บฟุบตัวลงกราบทิ้งปืนฟุบตัวลงกราบเลยจริงจริจากนั้นกลับไปเลย ดังนตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ทำํำไมใครอีกต่อไปแล้วอคนเชื่อเป็นข้าสึกกลายเป็นผููมีดกันอย่างสนิทใจไม่มีอะไรกันอีกแล้ว mm hmm. นั่นเห็นไหมล่ะอานาจแห่งธรรมเขามีนิสัยวาสนาอยู่นะถ้าเขาไม่มีแล้วเขาจะไปตามความมุ่งหมายของเขาแล้วก็ไปฆ่ากันได้แล้วก่อกรรมก่อเวรต่อกันยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุด mm hmm. มีแต่เรื่องก่อกรรมขอเวรทาง <c oughs> บาป ท, ทางกรรมเท่านั้นแหละนี่พอเขาเลก เจอหลวงปู่มั่นอย่างรดบรรดาลแล้วกสาบแ ล, แล้วกลับมาอย่างไม่มีเลยที่จะมีความคิดอะไรกับคนคนที่ไจาจักฆ่าด้วยความที่จะแช่นั้นหายหมดเลยว่างั้นนะเป็นว่าเป็นมิจฉาเนจากนั้นมาเขาก็ <c oughs> ละเว้นการทําบาปทํากรรมทั้งหลายใครว่า <c oughs> <c oughs> ของแปลกปลาดอัศจรรย์ไม่มีในโลกนี้อย่าไปเชื่อนั่นว่างั้นเราไปเห็นหลวงปู่มั่นแล้วอย่างชัดเไม่งั้นเราจะไปฆ่าคนเพราะว่างั้นนะ พอามาออกประกาศอย่างชักจนเลยลเราไปเดินตามทางไปคนเดียวนี่ตั้งใจจะไปฆ่าเลยยังไงต้องฆ่าให้ได้ชีวิตมันถึงที่แล้วไม่ได้ฆ่าไม่ได้ว่าถือปืนไปเลยเจะยังไงก็ต้องฆ่าคนจะมีีคนก็ตา ม, มอย่างนั้ น, น, นจังไม่เป็นผู้กษักต่อการฆ่าคนที่เป็นฆ่าศัตรูต่อตัวเองนั่นนะคือจะฆ่าเดินเข้าไปฆ่าเลยปางแล้วเราจะตายก็ตามข อ, อให้ทําอย่างสมใจกระพอนู่นแหะ ปิจ ใ, ใจเขา <c oughs> ตั้งไว้ขนาดนั้นนะแต่พอไปเจอหลวงปู่ ม, มั่นกลางทางซึ่งไม่มีใครเลยเขาก็เดินดุ่มๆไปคนเดียวก็เนี่ยโดยอยู่ๆหลวงปู่ ม, มั่นก็ยืนมาไม่ทราบฝุดมาจากไหนโขกขึ้นมาได้ยืนจังก้าอยู่ต่อหน้านี่พูดเครื่องขู่ด้วยนี่จะไปตกเรือหลงุงไหนนี่แ่ะว่างั้นนะท้าก็ยืนจังกล้าดูนี่พ่อมองเห็นแล้ก็กล้าไปเดี่ยวพ่อมั่นเห็นชัดเจนว่าไ แล้ได้ยินเสียงชัดเจนด้วย <c oughs> เรียกว่าเหมือนหนึ่งว่าเวลานั้นท่านเป็นคนทั้งโง่เลยรูปร่างทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเต็มหูเต็มตาแล้วฟังเสียงท่านาพูดขู่เข็นนั่นเราจะไปทําความชั่วท่านขู่เอาไว้นั่นนี่จะไปตกแล้ลงหลุมไหนนี่ละ่ะว่างั้นนะเพียงท่านมองเห็นท่านแล้กราบเลยทันทีแต่นั้นเขาลดความชั่วลงได้มากมายไกลกองเนี่ยเพราะการได้เห็นผู้นเหลืออย่างนี้นี่ละ่ะ เราขอม <c oughs> ีน <c oughs> ้องหลายในพิจารณามีวัดมีวาผ่านไปผ่านมาเขี <Mu> ่ยวข้องกับพระเจ้าประสงค์อยู่เสมอจิตใจย่อมมีความเบิกบานเบิกบานไปเรื่อยสั่งสมความดีเข้าไปเรื่อยจิตใจเราย่อมยิ้แย้มแจ่สายตายแล้วใจนี่แหละที่รักศีลรักธรรมนี่แหละจะพาไปสวรรค์นิพพานสิ่งร่างอาศัยทั่วการเวลาดังที่พูดแล้วส่วนศีลธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่ฝากเป็นฝากตายกับจิตใจได้จริงๆไม่มีที่อื่นเป็น เป็นคู่แข่งคือศีลธรรมของเราที่สร้างมาเนี่ยการทำเวลาใดก็ตามกี่ครั้งกี่หนไม่ต้องไปนับให้เสียเวลาเวลาว่านับไม่ได้ศีลธรรมจะขาดหรือตกเพราะบขาดตบกบกพร่องไปไม่มีทําแล้วเป็นอันทําแล้วทําดีทําชั่วกี่ครั้งกี่หนเป็นว่าเท่านั้นเท่านั้นไม่มีขาดตบกบกพร่องไม่ขึ้นอยู่กับความจําได้หรือไม่จําได้ขึ้นอยู่กการทําลงไปแล้วนั่นเมื่อทําลงไปแล้วบุญกุศลก็เป็นแล้ว ถึงเวลาที่จะมารวมตัวกันแล้วมันจะมาเต็มอยู่ที่หัวใจนะบุญกุศลที่เราสร้างโดยการให้ทานให้ผู้ใดก็าตามให้ทานพระก็าตามบุคคลผู้มีบุญมีคุณจนกระทั่งถึงให้เ <c oughs> สียสละให้ทานเถื่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเรื่องความเมตตาก็ตามเหล่านี้เป็นบุญแต่และประเภทประเภทรวมแล้วเข้ามาสู่จิตใจของผู้ <c oughs> ทํำนี่เราทํามากกว่ามากจำไม่ได้ก็าตามเราดูที่น้ำมหาสมุทรเป็นยังไง <c oughs> ใครไปนับเม็ดมันได้ไหมน้ํามหาสมุทร ฝนตกทีละหยุดระยัดเร็ยกน้อยๆแหะแล้วทำไมทําน้ำมหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ําได้ทีละหยดระยัดนั่นแหละอันนี้การสร้างบุญสร้างกุศลของเราเหมือนกันเชื้อเลือกกันน้อยตามกํลาลังความสามารถของเราซึ่งเหมือนกับน้ําตกทีละหยดระยัดลงในมหาสมุทรมันเป็นน้ำมหาสมุทรไปหมดได้เมื่อมันมากต่อมากตกไว้อยู่นี่เหมือนกันการสร้างคุณงามความดี เมื <edy> one, so one whole, ่อเต็มแล้วก um ็เต็มหัวใจเรียกว่าเต็มน้ำมหาสมุทรสมมุตินิยมจะมีที่หัวใจเหลือก็เดิบผงเลยนี่เรื่องบุญกุศลถึงอยากได้พากันประมาททั้งสองฝ่ายการทําความชั่วช้าละโมกยาเข้าใจว่าทําแล้วมันมีใครเห็นจะเจ้าของเห็นอยู่เจ้าของทําอยู่รู้อยู่ใครไม่เห็นก็เจ้าของเห็นอยู่รู้อยู่ทําอยู่แล้วเรื่องบาปเรื่องกรรมที่ไปทําความชั่วชาละโมกเจ้าของก็ทําอยู่นั่น ก็อวยอความชั่วอยู่ในขนาดที่ทำเนี่ยเราจะไปรับร่างไรว่าไม่มีใครเห็นตัวของเราเห็นเองเราเป็นผู้ทําเองแนะ่บุญกุศลก็เป็นของเราเองบุญกุศลไม่ลําเอียงบาปไม่ลําเอียงนะ <c oughs> ทําชั่วเป็นชั่วทำดีเป็นดีทดัน ด, ดีขอจะให้เราทําลงไปเถอะท่านยัง <c oughs> <c oughs> เ, เรียกว่าบาบุญนี่หรือว่าธรรมํากลางๆนีน่ไม่มีลําเอียงทําที่ไหนที่แจ้งสีรรับทำมากี่ครั้งที่โหนไม่สําคัญ เพิ่มตัวขึ้ น, นเรื่อยๆเลยใครขยันทําบาปมากก็เพิ่มขึ้ น, นเรื่อยๆ ล, ลงถึงขั้นนรกอ็มจีได้ไม่สงสัยเนี่ยใครทำบุญทำบุศลมากก็เลื่อนขึ้นไปเรื่องขึ้นไปสามารถถึงนิพพานค้นจากทุกโดยประการทั้งปวงได้ตลอดอนันตการเรียกว่านิพพานเที่ยงได้ไม่สงสัยเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> พากันตั้งโหวตตั้งใจนี่เวลานี่ก็ยังมีค่าอยู่นี้ก็ดีนี่ท่านอยู่ บ, บเพ็ญธมรัธรรมงท่านเดินมันกงกรมลังสันทิาวนา เลาอยู่ในบ้านก็ให้พักกันภาวนาบ้างนะถึงเวลาจะหลับจะนอนอย่างน้อยขอให้ได้ภาวนาสวดบนได้มากน้อยก็ตามสวกัสติปิโสกวาสุขาโตสุปฏิปโนได้แต่นี้ให้นั่งสงบใจทำภาวนาเราจะภาวนาทำบทใดก็ได้เช่นพุทโธก็ได้ธรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือทำบทใจที่เราชอบ ต่อจะดีกิตใจของเรานํามาบริกรรมมีสติจดจ่อจอยู่นั้นแล้วลรักษาจิตด้วยคาบริกรรมรักษาไว้นั้นมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไม่ไปคิดใครนอก <c oughs> พอคิดมาแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งวันหลับมันก็ไม่เห็นได้ป่วยอยู่อะไรทีนี้จะคิดกระ บ, บ, บาดกระทำเช่นพุโทโธพุธโทโธ <c oughs> เรียกว่าเราคิดเป็นดับเป็นทำในเวลานอนอย่าปล่อยนะจะได้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจนี่เรียกว่า หาสมบัติทิพย์เข้าสู่ใจสมบัติที่เป็นด้านบรรถุกหาเข้าสู่กายถ้าใจมีบุญมีกุศลจึ่งเป็นเจ้าของขอ ง, ของสมบัติต่างหลๆนั้นแล้วนําสมบัติต่างๆนั้นไปทําบุญให้สาลก็กลายเป็นสมบัติทิพย์ไปอีกนี่ยมันมีหลายขั้นนะสมบัติมีมากน้อยเน่าเฟะไเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรก็มีเยอะสมบัติมีมากน้อยควนขวอยมาทั้งเป็นประโยชน์จากสังขารร่างกายความเป็นอยู่ ทังเปิดประโยชน์แก่จิตใจของเราด้วยการสร้างบุรสร้างบุกสมบัติที่เราได้มาบางน้อยแบ่งสรรปันส่วนไปทาบุญให้ชานแล้วก็เป็นบุญก the ุศลแก่เราอันนี้แหละที่จะเป็นฝากเป็นฝากตายโดยแท้จริงไม่มีอะไรเหนือทํานี่เลยเหนือบุญเหนือกุศลนี่เลยเวลาเรามีชีวิตอยู่ก็อย่างนี้และเราอยู่กับเพื่อนกับฝูงมีจํานวนมากน้อยมันอาศัยกันไปตลอดมนุษย์เราไปที่ไหนตั้งบ้านตั้งเรือนเป็นปึกแผ่นแน่นหนามีเพื่อนมีฝูงจํานวนมากมาย <c oughs> อาศัยกันทั้งเป็นอาศัยกันทั้งตายคั้งเวลาจะตายก็อยากมิตทั้งหลายก็มาห้อมล้อมอยู่ <c oughs> ในบ้านตเต็มไปหมดตเต็มไปหมดนี่เราก็อาศัยเป็นเวลาในอยู่ในฐานะที่อาศัยกันแต่พอชีวิตถานไ่แล้วญาติมีเพื่อนฝูงคนจะมากมา ก, กันขนาดไหนแม้ที่สุดทรงปัดเงินทองก็ของมีมากน้อยไม่มีความหมายเลยผู้ที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายเราจริงๆคือบุญคือกุศลที่เราสร้างไว้แล้วนั่นแหละนี่แหละสําคัญมากนะ ให้พากันยึดไปทั้งสอง <c oughs> อยาปล่อยวางทางโลกทางอุษสารเราก็ ก, ก็มีสังขารร่างกายมันมีความบกพร่องต้องการตลอดเวลาต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนานต้องนอนต้องไปมาหาสู่ไปที่นั่นที่นี่เพื่อบิงเต้นขนขวายหามาเยียวยาธาตุขันนี่แหละอยู่ตลอดเวลานี่ภายนอกเราก็หาแต่ภายในที่จะาต่อแสวงหาบุญทางกุศลเข้าสู่ใจด้วยการทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเราก็ทํา ให้ได้งานทั้งสองนี้เสมอกันร่างกายก็มีเครื่องบวมปือมีเครื่องบำรุงรักษาจิตใจก็มีทําเป็นเครื่องรักษาคือบุญของเราที่สร้างมาแล้วแต่ก็ไปรักษาใจบำรุงใจให้ใจมีความเจริญรุกงเรืองขึ้นเป็นลำดับเรียกว่าเราไม่ขาดทุนเกิดมาอยู่ในโลกนี้เราก็อยู่หาบันหมดสภาพบปในโลกนี้เอาไปโลกหน้าโลกหน้าก็มีบุญมีกุศลไปโลกไหนก็ตาม คึ้นชื่อว่าคนมีบุญแล้วไปโรกไหนเป็นโลกดีมีความสุขทั้งนั้นแหละมันผิดแปลกกันนะกับคนบาปคนบาปนี้ไปที่ไหน <c oughs> มีแต่บาปไปเกิดอันสถานที่ใดก็เป็น <c oughs> เป็นกําเนิดของบาปของบาปไปเขาเสวยสุขเราก็ไปเสวยแต่ทูกเสียนั่นคนเป็นบาปมันเป็นค่าสึกจกตัวเองคนมีบุญมันเป็นคุณค่าจากตัวเองเรียกว่าเทิดตลอดรักษาตลอดนี่พากันจํำมานะ <c oughs> มี่วันนี้พูดถึงเรื่องการสร้างวัดสร้างว่าเราก็เคยคิดอยู่ตลอดมาเกี่ <c oughs> <c oughs> ยวกับเรื่องถ้าผู้สั้งใจอัดรมนี้ <c oughs> เราอยากให้แมือนมีหน้าที่ทั่วทั่วไปเพื่อเป็นที่มงคลแก่พี่น้องชาวพุทธเราทั่วแดนไทยนี่ให้มีวัดมีวัดเด็กมีภาพตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติศีลธรรมไม่มีความรักแคลรกายสงสัยในการกระทาของท่านแล้ว เราก็นอนใจแล้วก็อบอุ่นการทำบุญให้ทานถึงไหนถึงกันไม่อาจไม่อ่านคนเราถ้าไม่น่าจะให้ให้ไปหาอะไรให้ไปแล้วไปกินแล้วมันสับสับเพสแล้วไว้ใจไม่ได้ให้ไปทำไมต่หนี่ได้คนเราทั้งๆ ท, ท, ที่อยากทานอยู่ <c oughs> แต่สิ่งที่มากีดขวางให้เกิดความตะหนีไม่ยอมเสียสละก็มีคือมองดูแนละ้วกิริยามารยาทไม่น่าขอรบ เ, อเรื่องสายได้ยินได้ฟังก็มีแต่เรื่อง ฟื้เรื่องไฟเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องกิเลสตถาเรื่องอะไเรื่องทําไม่มีมองดูอะไรอะไรไม่เจริญหูเจริญตาเจริญใจแล้วใครจะอยากไปคบค้าสังคมใครยากไปทำบุญให้ทานเคยทำบุญให้ทานขนาดไหนความต้านหนีมันก็ขวางไม่ทันทีกับพระประเภทนั้นนั่นหลักใจเป็นหลักเป็นความจริงเป็นอย่างนี้นะถ้าเราได้ไปเห็นท่านผู้ดีผู้ชอบแล้ว มันจะจะดีทีเนียวว่าอะไรมันก็ทนมาได้ถ้าไม่หนานแน่นจะจนเกินไปไร่ราคาจะโดยประกาศน้ำก่วงแล้วมันทําบุญได้หรือคนเราไปเห็นแล้วก็มีความเคารพน้อมไถ่ไม่ได้มากก็ได้น้อยก่อนเนี่ยยิ่งไปดูเข้าไปดูเข้าไปซึมทราบถึงใจเข้าไปสุดท้ายมีเท่าไหรถึงไหนถึงกันให้จนหมดไปแล้วยังอยากให้อีกนั่นเห็นไหมใจเมื่อกับทํามันเปิดรับ ก, กันแล้วมันเป็นอย่างนั้น่ะหรืออยากสร้างแต่บุญสร้างกุศลนี่ละเป็นหลักใจ ไอ้พี่น้องหลายจะมาไว้หน้ะ <c> ซ <oughs> ัพย์ภายนอกคือสมบัติเงินทองเข้าของ <c oughs> บ้านเรือน <c oughs> บริษัท บ, บริวาร น, นี่เรียวกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพ <c> ย <oughs> ์ภายในได้แก่การบุญการกุศลเราทําบุญให้ทานมากน้อยได้บุญเข้ากุศลเข้ามาสู่ใจเราเนี่ียกว่าทรัพย์ภายในคนมีทั้งทรัพย์ภายนอกรับภายในแล้วอยู่โลกนี้ก็ลืน่นลื่นมันถึงไม่เป็นทุกข์มาก ไปโลกหน้าก็บุญกุศลสำนับสนุนให้มีแต่ความสุขพันธ์ตลอดไป น, นี่เรียกว่าคนไม่เสียท่าเสียทีเป็นคน ส, ม, สม่ำเสมอโลกนี้ก็สมบูรณ์โลกหน้าก็เป็นสุขเน้่ยจำมอาทุกคนนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละเช่นก่อนน ะ, นะะขอความสวัสดีตรงมีแก่มดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอ